พวกเราเป็นอยู่ในโลกหมอกอยู่ในโลกก็หมอกอยู่อย่างนี้นแหละไม่ได้ดงตาดูศีลดูธรรมก็เลยเป็นผู้หมอกอยู่ในโลกเห็นว่าโลกเป็นเครื่องประการตาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์กันสูงทั้งหลายจงมาดูโลกอันตราการตาดุกราชรถ ที่พวกคนเข่าหมอกอยู่แต่พวกผู้รู้หาข้องหไม่พวกที่หมอกอยู่ในโลกคือพวกคนเขา่าแล้วก็ปิดใจในโลกเห็นโลกอัญการตาคือสวยงามเหมือนราชรัราชรัคือสิ่งที่เขาเขาละนะใช่ไหมเขาแล้วงานระกพี่นางานมีราชรัสวยน่า ดับดาตกแต่งทั้งกงทั้งดุมทั้งนะทั้งแต่ทั้งอะไรสรารพัดดับด า, สาดสวยงามดูไปตรงไหสวยงามไปหมดติดหูติดตาติด อ, อกติดใจสวยงามเห็นเป็นวิจิตรพิสดารโลกรเราก็เช่นเดียวกันถ้าเรายังเพลินอยู่ในโลกเห็นว่าอันนั้นกดีอันนี้ก็สวยอันนั้นก็งามอันน<ม>ี้ก็น่าสนุกสนานอันนั้นอันนั้นก็น่าเพดเพลิน นิยมชมชอบชื่นอกชื่นใจอยู่ไปวันๆหนึ่งตั้งแต่ว่าหมกในโลกไม่เห็นโทษของโลกไม่เห็นโทษในความเป็นอยู่ของโลกนี่นแหละที่ว่าหมกอยู่ในโลกโลกคือสิ่งต้องแตกสิ่งต้องทํำลายสิ่งต้องแตกสิ่งต้องทํำลายทั้งมวลโลกคือความเป็นอยู่ของสัตว์เนื้อทั้งมวลโลกวันคืนโลกไปก็จะมีอะไร หนุ่มตาตลอดมืดกับแจ่มมืดกับแจ่มีอะไรเป็นโลกมีมีอะไรเป็นของเก่ามีอะไรเป็นของใหม่ขนาดมันล่วงไปขณะนี้ล่วงไปขณะนั้นล่วงไปวันล่วงไปคืนล่วงไปก็ถือว่าเวลาล่วงไปเราก็มาสมมติเรียกันมาสมมติเรียกเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธจันทร์ศุกร์เสาร์ มาสมมติเรียกกันเด้วยด้วย A และ B และสามและ C ไปจนถึงเดน1 2มาสมมุติเรียกกันมุกกระดุมภาเมนาเมสซาพิสภาสมมติไปตามสีที่มีสีที่เปลี่ยนสที่มีสีที่เป็ น, ท, ท, ปนที่ทําให้เราสมมติได้ก็คือดวงอาทิตย์ก็คือดวงจันทร์เราก็สมมติไปเราก็เรียกันไปเพร่ม่ให้ันสับสนคุณบายเพื่อเกิดความสะดวกสบายในการเครียด ในการเรียกในการขานชื่งกันหรือกันมีความเป็นไปของโลงแต่ถ้าเราเรามองที่ขณะจิตก็ไมมีอะไรมันมีแต่ล่วงไปล่วงไปล่วงไปสมมุติเทียบว่าวันสมมติเรียกว่าเวลาก็ ล, ล, ล่วงไปล่วงไปล่วงไปเราก็เลยเรียกว่าปีเก่าล่วงไปก็เลยเรียกว่าปีใหม่เข้ามาปีเก่าปีใหม่ก็ไม่มีอะไร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 เป็นปีเก่าก็ตามให้เป็นปีใหม่ก็ตามผลที่ไม่ดีอัไนี่มันตามมาตามมาเผาหล่นกิจจ์ตามมาทำให้เราประสบความทุกข์ความยากความระบากความกระอด้อนความวุ่นบายวุ่นบายที่ไหนเราเอาใจไปทําในสิ่งที่ไม่ดีทําเกิดความวุ่นบายทนเราก็ย่อมจะรับความหุ่นบายเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราน้อมมาเพื่อสินเพื่อธรรม ต้องเรียรักษาศีลศีลนี้ก็จะช่วยทําให้เราได้รับความสงบกายจะทําให้เราได้รับความสงบวายจาทำจะทําให้เราได้รับความสะอาดกายจะทําให้เราได้รับความสะอาดวาจาและจะทําให้เราได้รับความสะอาดใจมันเริ่มเริ่มมาตั้งแต่การมีศีลมีธรรมการรักษาศีลแล้วก็มาตั้งใจเจริญสมาธิให้ิตได้รับความสงบไม่ให้กิตเหนื่อยเบื่อกวนให้จิตร้อนกำเริบเสพสาร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 ทำเหตุอย่างไรผลก็เกิดขึ้นอย่างนั้นสร้างเหตุไม่ดีก็ยังได้รับผลไม่ดีสร้างเหตุให้ทุกข์ยากลาบากก็ยังได้รับผลคือความทุกข์ความยากลํางลงบากสาร้างเหตุให้เกิดความสุขเกิดความเมชื่อมชื่นเบิกบานเกิดความคืริน่นโดยศลีลโดยธรรมเราก็รับเลสนะรับความสุขความคืริ่นโดยศีลโดยธรรมต้องการให้จิตได้รับความสงบเราก็สร้างเหตุลงไปภาวนาลงไปนั่งสมาธิเข้าไปเดินจยกรมเข้าไปผลที่ตามมา จิตย่อมได้รับความสงบย่อมได้รับความสุขอากิตที่ได้รับความสงบที่ได้รับความสุขที่ได้รับความเปิดอีกนี่แหละมาพิจารณามาพิจารณากายของเรามาพิจารณาใจของเราเพื่อทํำลายความรุ่มหลงเราก็ย่อมได้รับความสุขย่อมได้รับความเจริญย่อมได้รับความรู้ย่อมได้รับความรอบรู้ในกองขันในสังขารขันนี้ร่างกายก็เป็นสังขารขัน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 หรือสังขารของพ่อกับสังขารของแม่ประกอบกันได้ ร, ร, รูประคันขึ้นมาได้นามขันเวทนาสัญญาสังขารและอินญาณส่วนสัญญาสังขารเวท น, นาสัญญาสังขารอินญาณเป็นส่วนของนามเป็นอาการของใจเป็นกิริยาของใจซึ่งในเมื่อใจได้รูประทับแล้วนามธรรมก็จะต้องมีสิ่งเหล่านีม้มาประกอบด้วยคือเวทนาขานันสัญญาขานันสังขารขันและอินญาณขัน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 ร่างกายนี้เกาะคุมกันได้ด้วยอํานาจของกรรมธาตุดินธาตุน้นําธาตุลมธาตุไฟภายในกายของเราเนี่ยที่มาเกาะคุ่มกันได้เป็นรูปเป็นร่งางกลาวตัวของเราของท่านอาศัยเกาะคุ่มกันได้ด้วยอํอาอนาจของกรรมอาศัยอํานาจของกรรมของธรรมเนื่องจากว่าเราเกิดด้วยอํานาจของกรรมเรามาด้วยอํานาจของกรรมเราเกิดด้วยอํานาจของกรรมเราเป็นอยู่ด้วยอํานาจของกรรมและเราจะเป็นไปด้วยอํานาจของกรรม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 ของใจโดยเฉพาะที่เราเรียกว่าโสมนัสทเวทนาคือความดีใจโทมณัสทเวทนาคือความเสียใจหรือความดีหรือความยิน ร, ร้ายนี่เป็นขันธ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญาขันธ์คือความจําได้หมายรู้ของใจความจําได้หมายรู้ของกิตของใจนี่แหละมันมีทั้งส่วนของการจําได้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 ที่เรียกว่าเวนาขันธ์ที่เมื่อมีสัญญาใจก่อนยึดสัญญาสัญญาคือความจาได้คือความหมายรู้หมายความหมายรู้หมายรู้นั้นหมายรู้นี้หมายกัดนั้นหมายเกณฑ์นี้หมายสาคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นสาคัญมั่นหมายในสิ่งนี้มีการคาดมีการเดามีการกัมีการเกณฑ์ทนท่านเรียกว่าสัญญาขันธ์หากว่าเป็นขันธ์กองหนึ่ง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 ากายวิญญาณรู้แจ้งทางใจท่าเรียกว่ามาโนวิญญาณวิญญาณอันนี้นคือการรับทราบคือความรู้ที่ออกมาจากจิตมารับทราบเป็นอยากตาเห็นรูปภาพทําให้เกิดจักขุวิญญาณตาอายตนะภายในรูปอายตนะภายนอกพอกระทบกันเข้าเนี่ยทำให้เกิดวิญญาณที่ท่านเรียกว่าจักขุ่วิญญาณรู้แจ้งทางตาทางหูไว้จับโสตะวิญญาณรู้แจ้งทางหู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 เป็นมโนวิญญาณวิญญาณนี้มารับทราบแยกเดี๋ยวแล้วก็ดับไปแยกเดียวแล้วก็ดับไปแยบเดียวแล้วก็ดับไปเช่นอย่างตาเห็นรูปปั๊บรับทราบว่ารูปสีดำรูปสีแดงรูปในกอรูปในขอหรือว่ารูปสิ่งรูปของสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่เราไปไปดูไปสัมผัสปั๊บก็ดับไปเกิดความรู้เกิดความรู้แจ้งต่างตาแยกเดียวก็สัมดับไปแยบเดียวแล้วก็ดับไปแยกเดียวแล้วก็ดับไปสีที่เห็นใหมา่ก็คือ รับทราบใหม่แล้วก็ดับไปเห็นอยู่ใหมเ่เรื่อยๆรับทราบไปแล้วก็ดับไปได้ยินทางหูได้ยินไปแล้วก็ดับไปได้ยินใหม่มอีกก็ไปรับทราบไปแล้วก็ดับไปวิญญาณคือความรับทราบหลงตานั้นว่ารับทราบแยกแล้วก็ดับไปแยบแล้วก็ดับดไปอ่ามีคือคือนามะขันเรามีรปูปประขันคือร่างกายนี้แล้วก็เรามีนามะขันคือเวทนาขนันสัญญาขนันสังขารขันนักวิญญาณขนัน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 ต้องผิวต้งเลี้งร่างกายอั น, นให้ร่างกายเป็นไปได้เป็นอยู่ได้และก็มีนามขันคือเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณอันเป็นเครื่องมือของใจอันเป็นเครื่องมือของจิตจิตคือผู้รู้จิตคือธาตุรู้อ่าเวทนาสัญญาสัขงขารวิญญาณก็เป็นกิริยาของจิตเกิดขึ้นจากจิตนะเกิดขึ้นพร้อมจิตดับไปพร้อมกับจิตมันเป็นอาการาแต่ละอย่างแต่ละอย่าง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 เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นจึงเป็นเหตุยึดมั่นถือมั่นในภพในชาติความยึดมั่นถือมั่นในภพในชาติอันนี้คืออะไรคือพลังอำนาจ ข, ของความอยากที่มีอยู่ภายในใจนั่นเองพลังอำนาจของความอยากที่มีอยู่ภายในใจที่ท่านเรียกว่ากิเลสตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาในเมื่อมันมีอยู่ในในจิต มีอยู่ในใจของเราก็ทําให้ใจของเราะดินนด้นรนดิ้นร้านส adan, าร้าง nt, หาเรื่องนู้นหาเรื่องนี้หาไม่อิม่มไม่พออิ่มเรื่องนี้พอเรื่องนี้แล้วก็อยากเรื่องนู้นอิ่มพอเรื่องนู้นก็อยากเรื่องนี้อิ่มพอเรื่องนี้ก็อยากเรื่องนั้นไม่มีจบไม่มีสิน้นอเราหามาปอ้อน่ะให้มันอิ่มให้มันพอเท่าไหร่ก็ไม่มีความพอเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าความอยากที่มีอยู่ภายในใจนั้นมากกว่าน้ํำในมหาสมุทร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 การดีการดิ้นของมันแต่แ ล, ะแตและอย่างแต่ละอย่างน่ะนำความทุกข์นำกองทุกข์มาให้กับเราเนี่ยดิ้นไปในเรื่องกรรมวัตถุกรรมวัตถุกรารมทั้งหลายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะเหมือนอย่างที่เราแสวงหาและเราบริโภคใช้สอยวัตถุกรารมทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละพวกสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นวัตถุกรมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างทุกรสทุกชาตินี่นก็เป็นวัตถุการมเป็นวัตถุกรรม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 ความใครที่มีภายในจิตน่ยท่านเรียกว่ากิเลสกรมกิเลสกรมกิเลสเป็นเหตุใคร่วัตถุการมทั้งหลายทั้งปวงนะ่ยวัตถุเป็นเหตุใคร่กิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตท่านเรียกว่ากิเลสเป็นเหตุใคร่วัตถุการมทั้งหลายทั้งปวงนะั้นเป็นเหยื่อของกิเลสกรรมที่มีอยู่ภายในใจกิเลสกรรมที่มีมีอยู่ภายในใจก็คืออำนาจขอ ง, งตัณหาที่มีอยู่ภายใน ใ, ใจ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 พระฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระพุระองทรงบัตรขึ้นมาแล้วก็มาศึกษามาคนา้นคว้าว่าอะไรเป็นเหตุให้พายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายพระองค์ก็ทรงพิจารณาทรงค้นคว้าทรงค้นคว้าทรงค้นคว้าไปก็ทําให้พระอ ง, ะ ง, ง ค, ง ค, งคปปองป์ประสบผลสําเร็จก็เลยดับอํานาจของความอยากนี้ได้ดับกามตัณหาได้ดับภาวะตัณหาคือเพราะขือชาติได้ดับวิภพวัตัณหาคืออ่า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 เราดูอํานาจของความอยากความอยากตัวเดียวที่มีอยู่ภายในใจของเราเนี่ยการมาตันหาภาวะตันหาวิภภวะตันหามีอยู่ที่ใจในเมื่อตันหาต่างๆเรานี่มีอยู่รูปตัวธรรมเราก็มีอยู่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมแล้วเป็นขันธ์ทั้งห้าจึงมีเป็นเราเป็นท่านเกิดขึ้นมาจากท้องแม่ออกมาแล้วก็ทำมากินทุกข์ยากลาบากเดือดร้อนรุ่นไวขนาดไหนพวกเราก็รู้แก่ใจ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 การคิดแก้ก็คือการพยายามย้อนไปดูตัณหาพยายามไปดับตัณหาที่มีอยู่ภายในใจนั่นแหละเนี่ยท่านได้คิดเรณาได้แก้ไขพระองค์ได้บรรลุลุล่วงไปแล้วพ้นไปแล้วจะควัตัสงสารเราไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเห็นว่ากายทางนี้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งนี้เนี่ยเป็นกองทุบเป็นก้อนทุบแล้วก็ย้อนไปดูที่ตัวกิะย้อนไปดูที่ตัวกิดก็เห็นสังก็เห็นตัญหานี่แหละเมื่อเห็นตัญหานแนักพระองก์ก็ดับได้เมื่อพระองค์ดับได้ก็ทราบว่าพระองค์ดับได้แล้ว พ, พบชาติของพระองค์พระองค์ดับแล้วอพบชาติที่จะเกิดขึ้นมาอีกไม่มีอีกแล้ว งานการที่พระองค์จะต้องแสวงหาจะต้องทําให้ดีให้ดีให้ดีขึ้นไปมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วเนื่องจากว่าจบภบจบชาติจบภบจบชาติก็คือจบวัฏสงสารก็ ค, คือจบกองทุกข์ในหัวใจหัวใจดวงนั้นก็บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีสองกับจีนไทยถ้ารู้ของท่า น, นเป็นทารู้ที่บริสุทธิ์ไม่เคลือบแฝงกับที่เดชตันหาทศวรรษที่จะไปเคลือบไปอาศัย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 ชายกี่วันของเร า, าไม่เชื่อว่าเธอเห็นเราแท้จริงเพระาะวัคคารีติดในรูปโฉมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมหาภูริสลักษณะมีรูปงามดูตรงไหนของพระองค์เนี่ยงามหมดพระวัคคารดูพระโฉมของพระพระุทธเจ้าไม่อิ่มไม่พอไม่อิ่มไม่พอทีนี้พอถึงการถึงคราวที่ควรพระองค์ควรจะกระเพิดไม่ว่าอิ่มจีก็เริ่มแก่กล้าขึ้นแล้วเธอมาติดตามดูอะไรกับเรา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 มหาปรินิพพานสูตรตอนที่พระรุจิเจ้าจะทรงดับขันนิพพานะพระองค์เอาพระจิตของพระองค์แสดงปาฏิหาริย์แสดงกิริยาให้พระสาวกได้เห็นโดยเอาพระจิตของพระองค์เข้าปฐมิฌานกิตที่บริสุทธิ์น่ะพอเข้าปฐมิฌานพระสาวกันนั่งดูพระมุุทุพระอุบาลีพระอนุรุทัศแล้วก็พระอานุเนนนั่งดูกันแต่พระมุรุทัศสามารถมองเห็นพระอนุรุทธศนเนี่ยเป็นผู้ เป็นผู้เลิศในทางทิฏประจักษสุขสามารถมองเห็นจิตผู้อื่นแต่จะเห็นจิตพระพุทธองค์ต่อเมื่อจิตดวงนั้นเนี่ยเข้าสู่สมมติปฐมมิชานก็เป็นสมุติชานที่หนึ่งชานที่สองชานที่สามชานที่4ี่เป็นสมุติชานที่ไม่มีรูปจเรียกว่าอรูปิชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี่ก็เป็นสมุติพระฌานของพระจิตของพระองค์เนี่ยเข้าปฐมมิชานเข้าทุเตียฌานเข้าจะ ตัทยาชานเข้าจากตุปยาชานเข้าชานที่หนึ่งเข้าชานที่สองเข้าชานที่สาเข้าชานที่สเห็นเฉพาะตอนเข้าชานทนั้นตอนออกจากชานไม่เห็นออกจากรูปไปชานแล้วไปเข้าอรูปไปชานอรูปไปชานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สเวลาท่านไปพาดพิงในชานถึงจะเห็นแล้วก็ไปประทับอยู่สงบนิ่งอยู่ในสัญญาเวทที่ยิฐานิโรธเพราะสัญญาเวที่ยิฐตนิโรธเขาเป็นสมุติ ทังรูปไปฌานทั้งอรมณ์ไปฌานทั้งสัญญาเวทที่ตนิโรธเนี่ยเป็นสมมุติเป็นวิหารธรรมที่จิตดวงนี้ศึกษาได้ปฏิบัติได้และก็มีได้และเข้าถึงได้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนิพพานเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของจิตในเมื่อเข้าไปโดยลําดับพระนุรุทะก็เห็นเวลาพระองค์ไปทรงประทับอยู่ในสัญญาเวทที่ตนิโรธก็เห็นแต่พระสาวกต่างๆเหล่านั้นไม่ทราบ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 เป็นวิหารธรรมสมาธิสมาบัติทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นส ม, มุติเป็นวิหารธรรมในเมื่อท่านยังยังมีชีวิตอยู่ยังมีพิชชนอยู่ท่านก็อาศัยส ม, มุติเหล่านี้แหละอาศัยกายอันนี้แหละในเมื่ออาศัยกายก็พูดได้เผยแผ่ทําได้ประกาศบอกทำได้แต่ถ้าจิตบริสุทธิ์จากกิเลสกิเลสมันหมดไปจากจิตแล้วจิต ด, ดวงนั้นบริสุทธิ์ มาอาศัยสมมุติก็อาศัย อ, อาศัยศักดิ์ออถว่าอาศัยอาศัยศักดิ์ถว่าอาศัยกระ่วกายกายก็เป็นเฉพาะกายก็ละได้แล้วเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นขันแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็ละได้แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังจะต้องอาศัยธาตุขันเหล่านี้แหละเป็นอยู่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมโปรดพุทธบริษัทเป็นเวลาถึงสี่สิบ้าพระพันษาก็าอาศัยธาตุขัน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 หอดถอดได้แล้วโดวยข้อปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงเป็นจิตที่บริสุทธิพุทโธถึงแล้วซึ่งบรมสุขประมางสุขันประมาณสุขันนี่คือจิตของเราสามารถชำระได้แล้วเวลานิพพานไปแล้วเนี่ยกายแตกทําลายไปแล้วพระจิตที่บริสุทธิ์ไปไหนไหมก็คงจะอยู่ในโลกนี่แหละเพราะธาตุทั้งหลายทั้งปวงทั้งรูปรประธาต์ทั้งนามธาตุเนี่ยไม่มีเสื่อมสลายไปจากโลกเราดูร่างกาย ร, ร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุลมน้ำนํำธาตุลมธาตุไฟเวลาตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เสื่อมสลายและละลายไปเป็นเป็นวัตถุประจำโลกอย่างธาตุดินก็ละลายไปกลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ําก็เสื่อมสลายละเหยไปเป็นไอ้น้ำไม่เป็นธาตุน้ํำธาตุลมก็กลายไปเป็นลมแล้วก็ธาตุไฟก็กลายไปเป็นไฟ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 ก็สามารถตกโรคตกอบายภูมิได้ทําดีขึ้นมากลางๆสามารถจะพอเป็นมนุษย์นุษย์ได้เราก็มาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์ทําจิตใจได้ละเอียดกว่านี้ตัําละเอียดกว่านี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆละเอียดมากวันนี้ไปอีกด้วยอนุภาพเองได้รับความสงบก็ไปได้ไปอุบัติในสวรรค์ชั้นพรหมอายุไขัยเขาเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นปะยาบายภูมิก็มีอายุไขคือการเวลาจํากัด มาเกิดเป็นมือก็คืออายุไขคือการเวลาจํากัดไปเกิดเทวดาไปเกิดชั้นสวรรค์ชั้นพรหมก็เกิดก็มีอายุจํากัดมีอายุไขจํากัดพอหมดอายุไขก็ดับอย่างนั้นมาแล้วก็สับเปลี่ยนมาควรจะได้อัตภาพยังไงก็ได้อัตภาพอย่ายงนั้นอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นได้ด้วยอะไรเกิดขึ้นได้ด้วยอํานาจของกรรมที่เรามีอยู่ภายในจิตกรรมมีอยู่ภายในจิต ด, ด้วยเหตุใดก็โดยเหตุที่ว่าจิตของเราไม่บริสุทธ์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 ทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้รับความสุขได้รับความเช่มชื่นได้รับความสงบได้รับความอิ่มเอิบได้รู้จักรดรู้จักลัรู้จับปล่อยรู้จักวา ง, ส, งสังยโสตคือกิเลสที่มามัดหัวจิตหัวใจของเ ร, เราให้เบาไปตามเพศตามภาวะตามความสามารถแห่งตนแห่งตนหนึ่งคืออํานาจของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อลงทรงตรัสรู้แล้วก็เอาธรรมะ ท, ที่ลงตรัสรู้นั่นแหละมาสอน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 ให้พระพฤติผิดรูปเมียสร้างไฟก็คือได้บาปได้กรรมได้กองทุกได้กองโทษแต่ละอย่างแต่ละอย่างน่เป็นโทษทั้งนั้นผิดศีลข้อหนึ่งก็ได้โทษข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าก็ได้โทษถ้าเราไปผิดศีลข้อห้าสามารถจะทําให้เราเนี่ยมัวเมาแล้วก็ผิดศีลข้อหนึ่งเพิ่มอีกก็ได้ข้อสองเพิ่มอีกก็ได้ข้อสามเพิ่มอีกก็ได้ข้อสี่เพิ่มอีกก็ได้นี่แต่ละข้อแต่ละข้อมันปิดช่องแห่งความชั่วช้าหลามกที่เราจะพึงปฏิบัติตามนั้น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 ความอยากมันมีอยู่ภายในจิตมันยุจิตเมื่อไหร่เดี๋ยวเราต้องต้องทําตามมันอ่ะยุให้อยากไปนู้นเราก็ต้องโหลดไปนู้นทุกยากลําบากนั้นี้ยเราก็ต้องทำนั่นเมื่อมันให้เราทํามันยุเราให้ให้ฆ่าสัตว์ก็ได้ยุเราให้ลักทรัพย์ก็ได้ยุเราให้ฆ่าคนก็ได้ยุเราให้ปล้นให้สะโดมเพื่อให้เป็นไปได้ตามอานาจของความอยากที่มันอยากก็ได้มีอํานาจของความอยาก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 เราจะเอากําลังจากไหนมาปฏิบัติจะมีจะเอากําลังใจมาจากไหนเพราะฉะนั้นเราต้องมีมีกําลังใจคืออําหน้าความอยากที่เป็นธรรมนี่แหละตั้งใจปฏิบัติไม่มีศีลก็ตั้งใจปฏิบัติรักษาศรรีลไม่มีทานก็ตั้งใจให้ทานเพราะผลของทานก็มีผลเมียนสงศีลก็มีผลเมียในสงท่านจิตให้ได้รับความสงบก็มีผลมีอานิสงนะก็อาศัยความอยากนี่แหละ แต่ความอยากแขลงมาโดยธรรมเมื่อจิตสงบมีความรอบรู้พิจารณาเกาะสําคารเพื่อทําลายความรุ่มหลงย้อนไปย้อนไปย้อนไ ป, น ไ, ปไปดูตัวที่มีความอยาดความอิดความดิ้นดิ้ น, นสแสวงหาพบดิ้นสแสวงหาชาติตามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาที่ดิบดิ้นอยู่ภายในหัวใจของเราเนี่โทษของมันเป็นยังไงราคะออกมาแล้วโทสะออกมาแล้ว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 ถอนออกมาจากการยึดมั่นจากการถือมั่นในตายจากการยึดมั่นถือมั่นในเวทนาจากการยึดมั่นถือมั่นในสัญญาในสังขารในวิญญาณจิตมันถอนออกมาจิตถอนออกมาก็เหมือนกับแบบเป่าออกไปเป่าออกไปเป่านั้นออกไปเป่ะนี้ออกไปเป่านี่ไปจิตของเราก็เริ่มบริสุทธิ์เหมือนกับว่าข้อปฏิบัติแต่ละอย่างมันชำระขัดจาจิตของเราจิตของเราเขาเริ่มบริสุทธิ์มลทินที่มาเก่ะมากลุมอยู่ภายในหัวใจของเราแันวก็อันนั้นก็ชำระไปอันนี้ก็ชำระไปอันนั้นก็ซ้ำรอบไป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 ที่มีอยู่เป็นอยู่ในโลกทั้งนั้นนับตั้งแต่กายของเราเวทนาสัญญาสังขารจินยามของเร า, ญญา our, เป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเราศึกษาปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางเพื่อถอดถอนให้เป็นวิมุตติให้พ้นจากสมมติพ้นจากสมมุติก็เป็นวิมุตติพ้นจากสมตมติพ้นจากสมมุติก็หมายความว่าไม่ยึดไม่เกี่ยวไม่เกาะกิจถอนออกมาแล้วพ้นแล้วพ้นแล้วจากภาวะที่ทําให้เราหมกมุ่นคุกครีไป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 เรารู้แล้วการมาตัณหาพราวะตัณหาวิภพอตัณหาคือตัณหาตัณหาแปลว่าความทยานอยากมันดิดมันดิ่งอยู่ภายในจิตเมื่อจิตเราหยุดจิตเราสงบจิตเรานิ่งตัณหาไม่โดดไม่ดิ่นหมายความว่าจิตมีอาหารดูดดื่มไม่อดไม่อยากมีความสุขมีความชุ่มเย็นมีความอิ่มเออบภายในจิตพออยู่พอเป็นพอไปไม่ดิดไม่โดดไม่ดิ่งไม่เดือดไม่ร้อนไปกับกับโลกกับสงสารหนึ่งคือความสงบ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 มันต้องมีความอดต้องมีความทนต้องมีความฝาฝืนเป็นเรื่องธรรมดาเพราะการทำงานทั้งนี้น่ต้องฝาฝืนทุกระยะทุกเวลาฝาฝืนอะไรก็ฝาฝืนเจ้าอำนาจของโลกที่มีอยู่ภายในใจของเราคือตัณหาที่มีอยู่ภายในใจของเราต้องฝาฝืนมันทุกระยะมันดึงไปเราดึงมามันดึงไปเราดึงมาคือเอาสติเอาสัมผชัญญะเอาสติเอาสมาธิเอาปัญญาที่มีอยู่ภายในจิตของเราน่ ดึงเข้ามาดึงเข้ามารู้อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติระลึกได้ระลึกได้อยู่กับเนื้อกับตัวมีสัมผัสฉันยักอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวไม่ลุ่มหลงไปตามน้ำของมันมันดึงไปเราดึงมามันดึงไปเราดึงมาไหนสูดก็ค่อยจดจ้องดูมันโผล่มาตรงไหนเราก็ตะคุบโผล่มาตรงไหนก็ตะคุบมันความอยากโผล่ออกมาที่จิตตรงไหนดวงไหนตอนไหนขนาดไหนเราก็ตะคุบมัน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 แต่จะต้องมีสมาธิพระคับพระคลองไปด้วยเพราะสมาธิมันเป็นมันเป็นความแนบแน่นของจิตมันเป็นพื้นฐานของจิตมันเป็นถ้าของจิตที่ทําให้จิตอยู่เมื่ออยู่แล้วจิตก็ได้รับความดูดดื่มได้รับความอิ่มเปิบอ่าตันหามันแทรกเข้ามาไม่ได้นี่คือเครื่องมือคืออุปกรณ์เราจะต้องมาดูแล ร, รักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีเสร็จแล้วก็ดําเนินตามไปตามทางที่ท่านบุกเอาไว้นี่อ่ามักมีองแปรนั่นแหะ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 ไม่มีไม่มีเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีอันนี้จังเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีทุกข์ขังไม่มีอนักตาเข้าไปเกี่ยวข้องแค่ร้ายบริสุทเนี่ยเราจะต้องฝ่าฟื้นเราจะต้องใช้ความปวดจะต้องใช้ความทนทั้งศึกษาทั้งอบรมทั้งฝ่าฟื้นทั้งพยายามย้อนดูจิตของเราให้จิตก็ดได้รับความสงบเพราะความสงบนั่นแหละเมื่อจิตเราเริ่มสงบแล้ว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 แทนที่จะได้บุญได้กุศลได้รับฟองทุกข์ของโทษเพิ่มขึ้นเรื่อยอันนี้ลำบากต้องพิจรารณาอีกด้วยเพราะขึ้นชื่อว่ากิเลสเรื่องของกิเลสมันแทรกประมาทุกสิ่ทุกอย่างสารพัดแทรกมาทางกิริยากายกิริยาวาจาแทรกมาทางากิริยาจิตมันคอยแต่จะชักจิตของเราไปแา่อํานาจของความอยากของมันถ้าเราปล่อยมันเมื่อไหร่ไปตามอําอนาจของความอยาก น, นั้นมันอยากไปอะไรลองดูภายในใจของเรา มันคิดเรื่องอะไรมันปรุงเรื่องอะไรเนี่ยมันคิดปรุงเรื่องอะไรของความความอยากถ้าเราหย่อนมันตามมาสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไป ล, ลุกเดินตามมันไปทําสิ่งนู้นไปทําสิ่งนี้ตามตามที่มันบอกบางทีก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามผิดสินผิดธรรมแน่ไปสร้างเหตุไปสร้างกองทุกข์ขึ้นมาแล้วสักหน่อยหนึ่งถูกมันมัดคอแล้วความอยากในเม่อมันมความอยากเกี่ยวกับสิ่งใดเราจะเห็นสิ่งนั้นนะ่ะเป็นเครื่องเยิมเข้ามาหน้าอยาก หน้าอยากได้น่ายินดีน่าเพลินใจน่าพอใจนี่เห็นไหมมายาของกิเลสมันหลอกมันลอ่อมันกินเหยื่อล่อของมันพอเราไปงับปับ๊บไม่ต่างอะไรคับปลางับเหยื่อในเบ็ดนั่นแหะงับปับ๊บติดแล้วติดปลาแล้วเบ็ดเกาะปาแล้วคืออะไรกล่องทุกกล่องทุกมันเกาะแล้วกล่องทุกมันเกาะแ้วเราดูเราพิจารณาศึกษาคนความเหมืน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 ที่เป็นต้นเหตุของทุกข์ก็คือหัวใจเรามาชําระที่ใจกองทุกข์มันก็ย่อมจะเบาบางไปในที่สุดเราละได้รับโทดได้รับขอได้ตามชั้นตามภูมิแล้วก็ได้รับความสุขความเจริญได้ตามชั้นตามภูมิละได้หมดก็วิมุตติหุดพ้นไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารอันเป็นกองทุกข์อันเป็นเหตุให้เราเข็ดเราหลาบไม่หยุดไม่หย่อนในตทางอกทางใจศึกษาและปฏิบัติคัน เอาล่ะพอสมควรกี่เวลาละสามทุ่มพอดี